บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานเกี่ยวพันเข้ามาในตอนนี้ซึ่งควรกล่าวถึงไว้เล็กน้อยกล่าวคือปัจจุบันในวงการชาวพุทธบางส่วน มีการใช้ถ้อยคำสำนวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแง่จริยธรรมกันบ่อยๆเช่นว่าคนนี้มีอัตตาแรงลดหรือทำลายอัตตาลงเสียบ้างเขาทำการต่างๆก็เพื่อเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาดังนี้เป็นต้นซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช้คำพูดอย่างนี้บ้างหลายแห่งความจริง คำว่าอัตตาในกรณีเช่นนี้เป็นสำนวนพูดอย่างคนรู้กันหมายถึงความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือไว้ด้วยอุปาทานเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีอัตตาอะไรอยู่จริงจังเลยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดสั้นๆแบบรู้กันอย่างนี้บ่อยๆและแพร่หลายออกไปก็มีผู้ไม่เข้าใจความหมายโดยในย่แบบรู้กันเช่นนั้น และนำไปใช้สับสนจนอนัตตาที่พูดถึงเป็นคนละเรื่องคนละราวห่างไกลาจากความหมายของอนัตตาในพุทธศาสนายางไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นเอาไปใช้เปรียบเทียบกับหลักในศาสนาอื่นว่าภาวะเข้ารวมกับบรมสภาวะหรือบรมสัตว์เช่นพระพรมปรมาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้ากล่าวคือ การที่บุคคลเข้าถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว์โดยตัวตนหรืออัตตาของบุคคลเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมสภาวะนั้นหรือว่าอัตตาคือตัวตนหายไปรวมอยู่ในสภาวะนั้นจนไม่มีการแบ่งแยกเป็นตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเป็นต้นอีกต่อไปคงจะภาวะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอนัตตา คนที่ทําการต่างๆด้วยความรู้สึกหรือตั้งใจเด็กเดี่วแน่ ว, ว, ว่าทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่คํานึงถึงประโยชน์ของตนเองไม่ได้ทําเพื่อตนเองไม่นึกถึงตัวเองหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัว ต, วตนเลยกรณีนี้คงถือได้ว่าคนผู้นั้นไม่มีอัตตาและภาวะเช่นนี้คงจะตรงกับหลักอนาตาในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่สองนี้ มีผู้เคยยกขึ้นพูดแต่ความจริงไม่เกี่ยวข้องกับหลักอนัตตาแต่อย่างใดเลยเป็นคนละเรื่องละาราวกันทีเดียวไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันได้เหมือนจะเทียบการไต่เขากับแม่น้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันแต่ประการใดอนัตตาเป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องของสภาพที่เป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย เป็นเรื่องสำหรับรู้สำหรับเข้าใจคือใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่สภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันไม่มีตัวแกนตัวแฝงตัวซ้อนตัวผู้ครอบครองบังคับควบคุมที่จะยึดถือเอาได้ว่าเป็นตัวตน เมื่อรู้เห็นเข้าใจถูกต้องแจ่มแจ้งก็เรียกว่าเป็นญาณหรือวิชาทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ติดข้องไม่เป็นาธาตุของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยในยะนี้อนัตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่แล้วตัวตนนั้นมาหายไปหมดไป หรือเข้าร่วมกับอะไรอะไรอัตตาถูกลืนหายกลายไปเป็นภาวะอย่างนั้นแต่ประการใดเลยส่วนตัวอย่างที่สองเป็นการพูดถึงความไม่เห็นแก่ตัวความหมดความเห็นแก่ตัวหรือการหมดความยึดมั่นในตัวตนซึ่งก็หาใช่อัตตาไม่แต่มีส่วนสัมพันธ์กับหลักอนัตตาอยู่ในแง่ที่ว่า การมองเห็นความเป็นอนัตตาเป็นเหตุให้หมดความเห็นแก่ตัวหรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได้และจะต้องสำทับว่าคนจะหมดความเห็นแก่ตัวได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกิดปัญญามองเห็นภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสำหรับตัวอย่างที่สองนี้ควรพูดเสไหมว่า การมองเห็นความเป็นอนัตตาก็ดีความมีใจน้อมดิ่งไปในองค์พระเป็นเจ้าตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำการเพื่อพระองค์ก็ดีต่างก็ทำให้คนไม่นึกถึงตนไม่เห็นแก่ตนหมดหรือลดความเห็นแก่ตัวได้แง่ที่เหมือนกันหรือเทียบกันได้อยู่ที่ตรงนี้ต่อจากนั้นถ้าใครยังอยากเรียนรู้ต่อไปอีก ก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ยิ่งขึ้นไปเช่นอาจมองว่าอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วหมดความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่ใช้ศรัทธาทำให้เกิดพลังจิตน้อมดิงไปในวัตถุแห่งความเคารพ บ, บูชาทำให้จิตไม่คำนึงนึกถึงตนเองเมื่อแยกได้อย่างนี้แล้ว ก็อาจก้าวสู่การพิจารณาขั้นต่อไปอีกเช่นว่าอย่างไหนจะเป็นการลืมนึกถึงตนหมดความเห็นแก่ตัวไปชั่วคราวอย่างไหนจะเป็นการถอนความนึกถึงตัวตนทิ้งได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปดังนี้เป็นตน้นบางท่านเอาคำอธิบายทำนองนี้ไปใช้กับนิพพานอีกโดยบอกว่า ภาวะที่เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับบรมสภาวะหรือบรมสัตว์เช่นพระพรหมปรามาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นเนี่แหละคงเทียบกันได้กับนิพพานในเรื่องนี้พึงระลึกไว้ว่าแม้แต่สำนวนพูดที่มีอยู่แล้วในวงการของชาวพุทธเองเช่นว่าเข้าสู่ปรินิพพาน บรรลุอมตะมหานครหรือพานเป็นต้นก็เป็นปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขทำความเข้าใจป้องกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยู่แล้วไม่ควรนำเอาข้อความสำนวนเร้นลับที่ยังคลุมเครือมองได้หลายแง่เข้ามาเพิ่มความสับสนวุ่นวายในการชี้แจงทำความเข้าใจให้มากขึ้นอีกตามปกตินั้นพระพุทธศาสนาชอบพูดอย่างง่ายๆตรงๆง เมื่อกล่าวถึงนิพพานก็ว่าเป็นภาวะดับกิเลสได้หายร้อนจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์ผ่องใสเบิกบานไม่ติดข้องไม่ถูกครอบงำรัดรึงพูดทำนองนี้จบแล้วก็พอกันไม่ต้องไปรวมไปกลืนหายเข้าในอะไรอะไรอีกพระอระหันต์ท่านหลุดโล่งโปร่งสบายจิตใจไร้เขตแดน เป็นอิสระเซรีโดยสมบูรณ์แล้วไม่ปรากฏว่าท่านเคยคิดจะรวมเข้ากับอะไรอะไรอีกหรือว่าได้เข้ารวมกลงกลืนไปในอะไรอะไรแล้วมีแต่ปุทุชนพยายามจะคิดให้ท่านซึ่งน่าจะเป็นเพียงเครื่องแสดงถึงความเยื่อใยความอยากมีอยู่คงอยู่และความกลัวสิ้นสย์ตลอดจนความขัดแย้งในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตัวออกมาเท่านั้นเอง โดยเฉพาะที่ต้องรีบปฏิเสธเสียแ ต, ต่ต้นไม่ให้เอามาปนกับนิพพานก็คือภาวะน้อมดิง่งดื่มดำเข้าไปรวมหรือกลมกลืนเข้ากับบรมสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นชนิดที่กลายเป็นว่าจิตเลิกกำหนดอารมณ์ปล่อยความรู้ให้หลุดหายไปเกิดเป็นประสบการณ์เห็นความเคลิบเคลิม้มลืมเลือนตัวตนกลืนหายเข้าไปในภาวะเลิบเคลิม้มดื่มดำนั้น ทั้งนี้เพราะว่าแม้เพียงในภาวะแห่งฌานที่ปฏิบัติถูกต้องเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วจิตแนบสนิทกับอารมณ์หนึ่งเดียวสติยิ่งจับอารมณ์ชัดเจนทำให้จิตเหมาะที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นจิตที่เคลิ้มเคลิม้มเลือนหายหมดความรู้สึกไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า t r a n s เฉพาะอย่างยิ่งชาที่สี่มีคำแสดงลักษณะที่มีสติชัดเจนว่าอุเพคขาสติบริสุทธิ์ิงจตุถังชานังแปลว่าจตุทถาชาญอันมีอุเบกขาเป็นเครื่องให้สติบริสุทธิ์และคำสรุปท้ายชาญ4สี่เมื่อใช้เพื่อบรรลุวิชาจะมีว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไร้มนทินปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วจึงน้อมจิตนั้นไปเพื่อคือนำเอาจิตไปใช้อย่างไรก็ตามมีหลักกลางๆที่สามารถใช้วินิจฉัยได้อย่างกว้างๆทั่วๆไปสำหรับคำถามประเภทที่กล่าวข้างต้นนั้นว่า ไม่ว่าจะเป็นภาวะจิตที่ดื่มดำลึกซึ้งเข้าถึงสิ่งสูงเลิศเพียงใดก็ตามหรือจะเป็นการกลมกลืนรวมเข้ากับอะไรหรือไม่ก็ตามความสำคัญอยู่ที่ว่าตราบใดยังมิได้ทำลายอสวะคือเชื้อกิเลสภายในให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจสังขารคือโลกและชีวิตที่เป็นอยู่อย่างปกติธรรมดานี้ตามความเป็นจริง คือยังไม่บรรลุปัญญาวิมุตติปราบนั้นก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการบรรลุนิพพานการเข้าถึงภาวะดื่มด่ำลึกซึ้งนั้นก็จะยังวนเวียนอยู่เพียงในขอบเขตของผลสำเร็จทางด้านพลังจิตหรือทางด้านสมาธิและความหลุดพ้นจากอานาจครอบงำของกิเลสก็จะยังคงเป็นเพียงภาวะที่กิเลสถูกข่ม หรือถูกทับไว้ให้สงบราบคาบไปชั่วคราวซึ่งจะยาวนานเพียงใดก็แล้วแต่ความแรงและความมั่นคงของพลังจิตที่น้อมดิ่งไปนั้น